ตอนที่สองคุณสมบัติของผู้สอนในที่นี้จะแสดงตามแนวพุทธพจน์และเห็นควรแยกเป็นสองส่วนคือเป็นคุณสมบัติที่ปรากฏออกมาภายนอกอันได้แก่บุคลิกภาพอย่างหนึ่งและคุณสมบัติภายในอันได้แก่คุณธรรมต่างๆอย่างหนึ่งในด้านบุคลิกภาพจะเห็นว่าพระพุทธเจ้า ทรงมีพระลักษณะทั้งทางด้านความสง่างามแห่งพระวรกายพระสุรเสียงที่โน้มนำจิตใจและพระบุคลิกลักษณะอันควรแก่ศรัทธาประสาทาทุก ป, ประการดังจะเห็นจากตัวอย่างที่ ท, ทราบกันทั่วไปและที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆเช่นในจังกีสูตรมาชิมานิายมาชิมปันนาต์ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ32ประการ และอนุพยัญชนะแปสิบประการที่พระวรากายสง่างามอย่างที่มีผู้ชมว่าพระสมณะโคโดมมีพระรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดพองยิ่งนักวันนะและพระสรีระดุดดังพรมหน้าดูหน้าชมนักหนาทรงมีพระสุรเสียงไพเราะและตรัสพระวาจาสุภาพสละสลวย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 ชวนให้อยากฟังอยากใกล้ชิดพระองค์อยู่ไม่ไวายอย่างคำชมของบุคคลต่างๆเช่นนี่ท่านปิงขิยานีมองเห็นสาระประโยชน์อันใดจึงเลื่อมใสในพระสมณาโคโดมถึงเพียงนี้ท่านผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษผู้อิ่มในรถอันเลิศแล้วยอมไม่ปรารถนรถอื่นๆที่เลวชั้นใด บุคคลฟังธรรมของพระสมณโคโดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆจะโดยสุตตะโดยเคยยะโดยวายากอนหรือโดยอภูตรธรรมก็ดีย่อมไม่ปรารถนาวาทะของสมณะเป็นอันมากเหล่าอื่นโดยลักษณะ น, นั้นๆเลยฉันนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้หิวและอ่อนเพลียมาได้รวงพึ่งก็พึงลิ้มรสย่อมได้รสแท้แสนชุ่มชื่นฉันใด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 เปรียบเหมือนบุรุษอาพาธเจ็บปวดเป็นไข้หนักนายแพทย์ผู้ฉลาดพึงบำบัดอาพาธเขาได้ฉับไวชั้นใดบุคคลฟังธรรมของท่านพระโคโดมพระองค์นั้นแล้วความโศกเศร้าปริเทวนาการความทุกโทมนัสและความคับแค้นใจของเขาย่อมหมดไปฉันนั้นเปรียบเหมือนสระใหญ่มีน้ำใสเย็นจืดสนิทน่าจเจริญใจ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 ข้อความจากพรห ม, มายุสูตรมชิมานิกายมชิมัปั น, นาต